ลังทำกันนะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบองการปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่อาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นมิตรเป็นเพื่อนในเวลาปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา วิธีปฏิบัติธรรมก็คือมีสติไปในกายเป็นที่ตั้ ง, จ, งจะจะเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกยึงจะได้แก้สึ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าไม่มีสตินอกจากจะไม่เข้าได้ถ้าสุข ก, ก็เป็นสุขต่อทุกข์ก็เป็นทุกข์ มีเจะเป็นเข้าไปกับสิ่งต่างๆไม่ได้เห็นเหมือนคนหลับตาคำถึงอะไรก็เข้าใจถึงนัน่นว่าเป็นอย่างนัน่นตาบอดของช่างเห็นขาก็เหมือนกับช่างเหมือนกับเสาเล่าเห็นข้างของช่างก็เหมือนกับฝาเล่ารือคนไม่เห็น ความเอาสมผัสเอาบันจัติเอ า, า, ญญ า, เอาจิงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่นนถ้าคนมีสติก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีสติจะได้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็ไม่ได้เป็นแป่กับจิงที่เกิดขึ้น เลลวลาเราปฏิบัติถ้ามีสติเกิดอะไรขึ้นมามีความพร้อมที่จะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกทุกเรื่องทุกราวที่เกิดขึ้นกับกากับใจเราเนี่ยถูกผิดจะได้เห็นตรงนี้ออ สติเป็นตัวเชนญชี้วัดจะได้เปิดเผยออกมาแล้วก็ของที่ปิดจะได้เปิดออกมาถ้ามีสติดูายถ้ามีสติดูใจจะเห็นของที่กว่วงกว็จะได้ห่ายขึ้น เมื่อเปิดออกก็ย่อมเห็นเป็นอย่างไรไหายขึ้นก็ย่อมเห็นว่าเป็นอย่างไรปฏิบัติกับสิ่งที่เห็นนั่นอย่างถูกต้องได้มีสติไปในกายอยู่เป็นประจำ อ, อะไรเกิดกับกายก็จะได้เห็นไม่เป็น แต่ก่อนสิงที่เกิดกับกายถ้าไม่มีสติก็เป็นร้อนก็เป็นผู้ร้อนหนาวก็เป็นผู้หนาว <c oughs> หิวก็เป็นผู้หิวเ <c oughs> จ็บปวดก็เป็นผู้เจ็บปวดหมดตัวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีหลัก ที่สุดก็ทิ้งอะไรที่ไม่ถูกต้องไว้ในกายใน ใ, นใจเยอะเย ะ, ย ะ, ยะเป็นกิเลรพันห้าตันหาร้อยแปดแต่ถ้ามีสติก็จะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นกายสักว่ากายสิที่เกิดขึ้นกับกายเป็นอาการของกาย เรียกว่าเวทนาก็าสักว่าเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั้นเก็นกิจที่เหมันคิดก็สักว่ากิจที่มันคิดมาได้หลุดไปกับความคิดให้มันเป็นอันอื่นหยิบขึ้นมาก็เป็นสุขคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์คิดขึ้นมาเป็นหลายหลายอย่างเกิดจิตเดือดรหาลาคะเกิดโกรธโลภโกรหลง ความพอใจไม่พอใจถ้ามีสติก็เห็นจักแต่ว่าจิตสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตเป็นอาการของจิตไม่ใช่จิตสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็เป็นอาการของกายไม่ใช่กายเป็นปกติจิ่งที่เกิดขึ้นกับกายถ้าไม่เห็นก็เป็นอาเรื่องที่เป็นตัวเป็นตน เมื่ใช่กายเป็นกายในกายไปอีกันหนึ่งเป็นสุขในสุขทุกข์ในทุกข์อีกหนึ่งไปทุกตัวโตวกันไปย่อเป็นลําดับไปต่อไปต่อไปไม่ไม่สักแต่ว่าไปไกลสุข ก, ก็ไปไกลทุกข์ก็ไปไกลสิ่งที่เกิดเกับผิดก็ไปกลายถ้าไปไม่ถูกทางก็ไปชั่วบ่าย ได้คิดขึ้นมาตกนรกได้คิดขึ้นมาเป็นเ ป, นเปนรตได้คิดขึ้นมาเป็นอสุรกายได้คิดขึ้นมาเป็นอสุรฉานได้โง่ไปเลยเราจะมีสติกลับมาสักแต่ว่าสติทําให้เราเป็นอย่างนั้นจะหืนไปไม่ได้เพราะมีที่ตั้ง เป็นเกณนที่วัดมาไม่ถูกต้องกรบถูกต้องคือเห็นไม่ได้เป็นปาวะที่เป็นไม่ถูกต้องสุกเป็นฉุกไม่ถูกต้องทุกเป็นทุกไม่ถูกต้องก็สุกเห็นมันสุกก็ทุกเห็นมันทุกอย่างนี้ถูกต้องไม่หวั่นไหวไม่เกิดอะไรขึ้น มีสุปกติสู่ปกติ ส, กตสุขเห็นหมือนสุขไม่เป็นผู้สุขเป็นปกติทุกข์เห็นเหมืนทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เป็นปกติถ้าสุขเห็นเหมนเป็นผู้สุขทุกข์เป็นผู้ทุกข์ผิดปกติรู <c oughs> ้จับผู้ปฏิบัติเมื่อเราได้สอบผ่านอย่างนี้ ตุกบุกเบิกไปเรื่อยๆมีเลยเข้าแถวมองให้ดูอยูอะๆดูเรื่องเก่าเห็นแล้วเห็นดีแตกแขนเห็นกายเห็นเนรูปธรรมแตกแขนตรงนี้เห็นกิตที่มันรู้อะไรได้เป็นนามธรรมาแตกแขนตรงนี้แตกแขนในรูปแตกแขนในนาม มันก็บอกรูปมันบอกนามมันบอกธรรมาชาติมันสอนถูกธรรมาชาติสนนอนจํานวนต่อธรรมาชาติลูกก็อางตามธรรมาชาติเรื่องแย่ตายสักวอรไก่ลูกทำนามทำลูกมันธรรมดีนาบมันรมดี รูกมันทำชั่วนามมันทำชั่วแต่ก่อนมันเป็นใหญ่แต่การกระทําผิดก็เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าตาจิตชั่วแล้วพูดอยู่ก็ตามทําอยู่ก็ตามแต่ว่าผิดตรงนั้นตาจิตไม่มีสติ รวมชืว่วความประสกต้องเกิดกับผิดก็ย่อมน้อมไปเหมือนลกเปลี่ยนหมุนมตามลอยเท่าโกตามไปไปตามจิตที่มันคิดไปเป็นลอยไปลอยลักลอยแค้นลอยสุขลอยทุกข์ลอยดีใจเฉียใจลอยโกรธโลภหลงลอยเจ็บตันหาตามไปกับย่อมจิต ิจดีๆก็เปนกิตที่เปื่อนไปกับอารมณ์รเรียกว่าอารมณ์ธรรมอารมณ์เป็นคู่กับกิตกมใช่จิตเราก็รู้สึกอย่างนี้ธรรมอารมณ์อารมณ์จะเกิดกับกิตเหมือนตาคู่กับรูปที่ได้เห็นติดทั้งตาลูปติด เสียงติดหุจมก์กติดกิน่นลสติดลดกายติดสัมผัสจิดใจติดอารมณ์เพี้ยนไปหมดเลยหายก็เพี้ยนตาหูก็เพี้ยนไปเวที่เกิดของความผิดไม่จบลงที่นั่นเห็นจากว่าเห็นคือสติ ได้ยินจ า, ก, ววานนนกแต่ว่าได้ยินในลด้สสมผัสจแต่ว่าได้คิดจากแต่ ว, ว่าไม่ไหวอยู่ตรงที่เกา่าตรงที่เกา่าเป็นเสาเขือนไม่หวั่นไหวเงาตั้งอยู่เช่นนี้ก็ เ, เกิดสิ่เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาได้ปัญหาปปัญญาขึ้นมาหวั่นบอก รูปมันบอกน้ำ ม, มันบอกรูปมันทำดีน้ำ ม, มันทำดีรูปมันทำชั่วน้ำ ม, มันทำชั่วได้เห็นมายาสาถหยของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยช่วยรูปไม่เคยช่วยน้ำพอมาเห็นอย่างนี่มันก็ได้ช่วยรูปช่วยน้ำเหมือนเกิดเหมืนก็กอบกู้ึ้นมาให้สู่ความปกติ ผู้ปฏิบัติเองก็ร่รู้เองเห็นเองสัมผัสได้เองเป็นเช่นไรความว่างเปล่าวความไม่เป็นอะไรกับความเป็นไรที่หนักหนวิตถือมาเกิดปล่อยวางลงใจว่างๆกายว่างๆว่างๆเบาๆบเย็นๆม <c oughs> ันก็เกิด กระเสาเกิดมาเกิดผลตามฐานะของผู้ปฏิบัติมีเกิดกอบเป็นกรรมเป็นผลขึ้นมาลูกมันทุกน้ำมันทุกอย่างไรกุดคุยออกมาทุกแง่ทุกมุมทุกของลูกของอย่างทุกของนามบางอย่าง ทุกของลูปหวังทีกําหนดลูก ด, ด้วยการลูกละไม่ได้ทำหน้าที่กับรูปอย่างถูกต้องเกี่ยวกับรูปอย่างถูกต้องทุกของลูปหวางอย่างบรนเทาทุกของลูปหวางอย่างต้องละไม่เอาเป็นตัวเป็นตนไม่ปนเปนกันไปเป็นระเบียบระเบียบรูแระเบียบนาม กลายเป็นกดเกณฑ์ขี้วัดโดยอาศัยระเบียบเป็นแผนที่หล่อหลอมเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบให้เราได้อยู่ในแบบในพิมพ์เรื่งศีลก็ช่วยเราปกติช่วยเราสมาธิความไม่หวั่นไหวก็ช่วยเราวันหยาความรอบรู้ก็ใช้ช่วยเราเวลาเราปฏิบัติ มีทรรักษาทำคุ้มครองคืออย่างนี้หละย่อักษาผู้ประพฤติทำอยู่เป็นนิดทำย่อรักษาผู้ประพฤติทำไม่ตกไปในที่ชั่วเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาเราปฏิบัติเหมือนกับว่ามีคุณมีค่าคุ้มค่าที่ได้เกิดมา ตอบแทนบนคุณพ่อแม่ว่าลูกของพ่อของแม่กําลังทําดีกันละความชั่วได้ต่างเก่าคนเพราวะเดิมขึ้นมาลูกทุกหวัรรณะต้องละเช่นความโกรธต้องละทุกข์ก็ร้อนว่าหนาวก็ต้องบรรเทาก็หิวก็ต้องบรรเทาเดียวก็บ ทุกที่เกิดกับรูปยางเป็นระเบียบเจ้าแบบเจ้าแผนใจเย็นไม่ผิดเพี้ยนเห็นขวางพอเพียงเพียงพอไม่ขาดเป็นอาชีพพอเพียงไม่จนในเรื่องนี้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ผู้ป่วยรู้จักใช้รู้จักรักษารู้จักขหารู้จั ก, จกซ่อมแซมตรงไหนไม่ดี ที่เกิดเกิดกายกับใจไม่ได้ปล่อยทิ้งโลกโลกนามโลกโลกของลูกโลกของนามมีอะไรเห็นของทุกันหนึ่งลูกทุกโลกโลกโลกของโลก บางอย่างก็แค่ไม่ได้มีโลอนมีหนาวมีหิวมีเจ็บมีปวดแต่โลกของลูกลูกธรรมชาติธรรมดาโลกประเภทนี้ <c oughs> ก็กำหนดรูปในการรูป ก, กําหนดรูปการบรรเทาโลกของลูกของน้ำจะเป็นความโกรธความโลภความหลงในตัณหาชิงเสพติดต้องละอย่างเดียวบรรเทาไปได้ฉุดวลี บันเทาความอยากไม่ใช่แบบนั้นเห็นเล่าบันเทาความผิวไม่ใช่แบบนั้นทุกแบบนี้โลกแบบนี้ถูกละเป็นระเบียบไม่ละไม่ได้คอไปจะขาดหวงไปจะแตกมันเห็นอย่างนี้ไม่ได้อวดไม่ทนเลยหลุดไปเลยเหสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลุดไปเลย ยิ่งมาเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจมันมันรุนแรงเหมือนกับว่าไอาดีแหละเป็นจาเป็นจําเลยหมายเลขหนึ่งเราถูกเจี๊ยวนี้เราเป็นธาตุของความคิดที่ไม่ตั้งใจเป็นบาปตัวตัวแรก ล, ลูก่เราเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจ อาจังๆตงัวน่้ปล่อยทิ้งไม่ได้ให้ไปไกลไม่ได้เหมือนกับว่าความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันเคยใช่จิตให้คิดเป็นทวารของจิตที่ใช้จิตคิดนี้สติเต็มที่เหมือนกับก้อนกวดทิ้งชายฝ้าผนังตกลงตัว น, นั้นตกลงตัว น, นั้นคิดที่ไดตกลงที่นั้น ไม่มีค่าในความคิดพอให้เป็นสุขเป็นทุกข์ประความคิดไม่ได้พอให้ เ, เกดเิดโกรธโลภหลงเกิดจิตเส้นหาไม่ได้ตกลงที่นั่นในสติเป็นพลังกุ้มค้องแต่ก่อนคิดเหมือนกระดิ่งเหนียวคิดอะไรก็ติดไปกับจิตนั้นลอยของความคิด เกดค ว, ความทุกความทุกขเจอแยะปวดเพื่อนไปหวดเลยพอมาเห็นความคิดที่เกิดกับจิตไม่ใช่ในตั้งใจนี่เอาตรงนี้จริงๆผู้ปฏิบัติธรรมย่อมตรงมาที่นี่มากที่สุดแก้ตรงนี้มากที่สุดเปลี่ยนตรงนี้มากที่สุดผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเราหลักใจทานก่้ว ตั้งทับตรงนี้มากทุกทุดเลื่อหรือว่าบาเพ็ญทางกิจบราวเจ้าก็บําเพ็ญทางกิจแบบนี้ได้ต่จะลูกก็เพราะได้ทําอย่างนี้เป็นพุทธก็ได้เป็นอย่างนี้เป็นพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนี้มีศีลมีสมาธิมีวัญญาก็เป็นอย่างนี้ได้หลักตรงนี้ได้ฐานตรงนี้ยึดพื้นที่นี้ของพื้นที่นี้ ฉัใหญ่ในพื้นที่นี้มีสติในพื้นที่นี้ความคิดีมันเป็นต้นเหตุจึงมีสติเท่านั้นที่จะไปเห็นมันไม่ใช่ไปศึกษาปรูปรแบบไหนอ่านตำรับตำราหรือได้บทเล่มรู้มาหลังที่เรา สาธยายประเสริฐมนุปพังคมาธรมามโนเสตา้ามรรมายาติามทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามิใจประเสริฐสุดสําเร็จแล้วที่ใจว่าแต่ปากมาได้เห็นเงื่อนไขของความเป็นจริงงั้นใจอะไรใหญ่พายเป็นทุกข์ก็ทุกข์กับความคิดใหญ่พายเป็นสุข ก, ก็เป็นสุขผู้ความคิด ใหญ่ไเกิดจิตนตนาก็รทำตามความคิดที่เกิดจิตนตนาการขงานของความคิดไปไกลเยอะแยะไปแล้ ว, วเรามีจิตรู้เห็นมาจะ่อเสถียของความคิดที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดความชั่วมากมายชีวิตทั้งชีวิตไปห้อยไปเฉาดไว้กับความคิด กินไม่ได้ก็คิดขึ้นมากินไว้ได้คิดขึ้นมานอนไม่หลับคิดขึ้นม า, นมมนมาเสียใจน้ําตาร่วงน้ําตาไหลต่า ง, างที่ไม่มีอะไรทําตัวเองทำอย่างคิดแบบกัดตอดตัวเองให้เจ็บปวดโอ้สะโดดตรงนี้กระโดดใต้ไกลนะตื่นมากเปลี่ยนต้น่กะโดดได้ตอนนี้มากที่สุดเลย ตื่นต้นหนมากที่สุดเหมือนผ้าคุมหัวผ้าคุมหัวจะกุดออกโล่งแกง้งแบบมลูกแจ้งันเกิดกันว่าวิปัชนายานเระด้าชแจ่งแบบสอาทิตย์สงันอาทิตย แจ้งในสว่างในกลางวันหลวงจันทร์รสว่างในกลางคืนแต่ธรรมะสว่างทั้งกลางวันกลางคืนคือความรู้แจ้งอย่างนี้วิปัสสนาญาณยานขึ้นมายาณก็ขนสง่งวิปัสส น, แบบนาญาณขนส่ง ไม่หลุดพ้นวามหลุดพ้นเป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่อันอื่นแต่เขาถึงวิปัสสนาแล้วหลุดพ้นในมาอันดับหนึ่งอะไรก็พ้นอะไรก็หลุดพ้นหลุดพ้นนี่คือวิมุตเป็นจุดหมายปลายทางของอมตน ไม่ใช่ลาบสกราละเงเสินเยียนยอว่าใช่หมูมิดพวกพ้องบริวารไม่ใช่เจ้าลัทธินิการควมหลุดพ้นต่างหากที่เป็นเกณฑ์ที่เราทำอยู่ในกรรมฐ า, านนี่ยิ่งว่าคมม่จนก็ว่าได้รูปทุกนามทุกรูกสมมุตินามสมมุติเยอย เป็นหลักฐานฟ้องลงไปไม่มีที่อาศัยเยป็นลูกบัญญัติวัตถุอาการปรมาจาบอกความหลงไม่จริงความไม่หลงจริงความหลงเป็นสมมุติบัญญัติความไม่หลงเป็นปรมัตา์สัจจะไม่มีการเปลี่ยนได้ความจริงต้องเป็นความจริงเช่นนั้นใครจะลูกหรือไม่ลูกความจริงก็ไม่อยู่โขคาน เด่นควไม่เที่ยงก็ความไม่เที่ยงผูกาดอยู่อย่างนั้นจะให้มันเที่ยงไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดไปแล้วความเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่อยานั้นจะให้เป็นจบไม่ได้เด็ดขาดผูกาดแล้วเราจึงเห็นเรื่องนี้ตามกวเป็นจริงเมอเห็นแล้วนี่ตามความเป็นจริงก็ผู้ศึกษาแห่งมรรคแห่งผลได้ หนือกลาเกิดจะเจ็บตายได้ไม่มีอะไรทำให้เราเป็นทุกข์แต่ความเป็นทุกข์ประความไม่เที่ยงเห็นทุกข์ประความเป็นทุกข์เป็นทุกข์กกความไม่เช่ตัวตนบบบนี้มันเกิดมากเกิดผลตรงนี้รู้จึกว่ากระโดดได้ตื่นมากตัวนี้ ปวงไม่เที่ยงเป็นมรรคเป็นผลเบื่อน้อยความไม่เที่ยงที่เกิดอยู่ในรูปใน น, น้ํานี่ความโกรธมันก็ไม่เที่ยงจะไปรับใช่มันได้ไงความโกรธทำตามความโกรธได้ไงกระโดดไดอยควางทุกข์มันก็ไม่เที่ยงจะให้เบื่อทุกข์อย่างไรแต่ก่อนมันไม่รู้ไปนอนในความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามปีข้ามเดือนข้ามกลืนก็มี โอกาสโดดไดยังให้มันเป็นจุดไม่ได้เด็ขาดทุกความทุกก็คือความทุกรูปทุกน้อมทุกเป็นอย่างนั้นทำช่วยเหลือเราเปิดทางบอกคือกถูกเหมือนทางที่หวงบอกเหมือนเครื่องนําทาง ที่เติดรถโจนตัวนี้เขาก็ทันสมัยว่าจะไปทางไหนกดจังหวัดอำเภอเมือง <c oughs> เส้นทางมันบอกทำทางเป็นความเปนแผ น, นที่ถ้ามันบิ่งไม่ถูกก็มีเสียงมาไม่ถูกไม่ถูกแล้วผิดแล้ว กลับไปไหมมันบอกจะนี้วนที่ไมโลูกก็ลูกไปเลยคพราจงที่มันบอกเป็นนั่นเป็นไปได้อ น, นั่นเป็นรูปประทับแต่จะทำมันบอกปรมัตจะทรมันบอกยิ่งมากกว่านั้นไม่ต้องเอาใจอื่นในความหลงก็ไม่ความไม่หลง บอกอยู่เชนนั้ น, นประกาศอยู่เช่นนั้ น, นในควมทุกขก็ไม่ความไมทุกอยู่เชนนั้ น, นในควผิดก็ไม่ความถูกต้องอยู่เชนนั้ น, นไม่รูกไม่ต้องมีอลไรบอกตรงกันข้ามบอดีตรงกันพอดีตรงกันพอดีเหมือนพระสิริธรามได้ได้แก่เสลี่ยงนี้ตั้งแต่เป็นเจ้าฟ้าชายอายุสิหกพรรษา พลาดคงเก็ดบิดาพัดเห็นคนเกิดก็มองความไม่เกิดเห็นคนแก่ก็มองความไม่แก่เห็นคนเจ็บก็มองถึงความไม่เจ็บเห็นคนตายก็มองถึงความไม่ตายได้หลักตรงนี้ต้องเมตคู่อย่างนี้ปเห็นคนทุกนั่งเวลาตายเขาสุกเห็นคนร้องโงมร้องไห้ ไอ้อลูกคนล่องให้ขอโชคคนเฉืยเฉยจึงเป็นการบ้านของพระองค์ถามใครไม่มีใครตอบได้ต้องเป็นอย่างนี้กันหรือต้องเป็นอย่างนี้เดือถนานะที่เป็นเจ้าผ้าชายรับผิดชอบเกลีคยดกลมรักของคนล็กมรทุษอยากช่วยเหลืออย่างนี้หาคำตอบลงนี้นให้ได้ ต้องมีคําตอบอันนี้แน่นอนเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่เจอเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตาต้องมีไม่ตาแน่นอนจะหาคําตอบแล้วนี่แล้วจะมาบอกคนมาช่วยคนให้คนได้ไม่มีทุกข์คนเรื่องนี้วิธีจะหาคําตอบแล้วนี่เห็นสมณะ ต่อแบบยากจํานาเศกษาอยู่ตั้งหกปีหลงคิดหลงทางจนมาได้คืนสุดท้ายเดือ น, นเดือนหกปีที่หกนั่งใต้ต้นสีมรกตโผลหลบเลีกมาวั้นเจ้าชี่หนีจากอยู่คนเดียว เอาละมันคือที่นี่อันดื่นก็ถึกสอนมามากแล้วมาเปรียบเทียบก็ปุยวเอง น, นกับไม่ไผ่แช่น้ําสีไผ่ไม่เกิดไม่ไผ่ขึ้นน้ำแล้วยังไม่แห้งสีไผ่ไม่เกิดไม่ไผ่เอาขึ้นน้ําแล้วแห้งแล้วสีไผ่ออกเกิด มาเปรียบเทียบตัวเองศิลป์ถ้าออกจากบ้านจากเมืองทิ้งลูกทิ้งเมียมา6ปีก็ยังชุ่มอยู่คิดถึงพิมพา้วหัวอยู่เหมือนไม่ไผ่ออกจากน้ำแล้วแต่ยังไปแห้งยังชุ่มอยู่มาสวนตัวเองผ้าค อ, อกมาคือมันอะไรมันเชิดไป คนไม่เมียถึงเมียคนไม่ลูกคิดถึงลูกคนไม่ความสุขคิดความสุขเคยมีภาษาสามดูคนเคยมีความสุขเมื่อใคาไม่ทุกข์ก็คิดถึงความสะดวกสบายพากออกมาไปมากความคิดดุลแรงมากถงหิ้วไปไหนก็ได้พากิตองมา คิดที่ได้กลับมาไม่ใช่มานั่งคิดถึงลูกเพืงอนงเนี่ยออมาเห็นตรงนี้เอาตรงนี้นะอะไรที่มันเกิดขึ้นในทางกิตใจไม่ถูกต้องกลับมาลูก่ล ก, กลับมาลู่ลมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำผู้ฉันเข้าอย่าฉันหอกลูกอยู่นี่เป็นหลักตั้งไว้นี่ผู้ฉันเข้ารู้จุดอย่าฉันหลอกรู้จุดคิดไปแล้วกลับมานี่ คิดไปที่ใดก็มาลูกลหยเป็นความหลงได้ความรู้ได้จากความได้จากความหลงที่จิตเป็นความรู้มากมายมัอนนะมันไปเก่งไปไวากายมันก็ยังมีบางบางครั้งลมพัดมาหนาวฝนตกลงมาหนาวแดตดตอกร้อน แต่กิดไม่รู้จักจกระไรไม่มีการเวลาคิดได้ทุกเวลาเวลานอ น, นก็ฝันแต่เพื่อเพื่ออเอาตรงนี้กลับมาขยันตรงนี้เูื่อนเข้าเหยื่อฉขื่อนดอกรู้จักตัวคิดไปกลับมาเนี่ยคิดไปกลับมารู้ความคิดทำให้รู้ความหลงทําไมรู้ความทุกข์ทําไมรู้ความอะไรเกิดขึ้นทําไมรู้เนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนี้มั้ง ตรงหน้าตรงตากันอย่างนี้ปฏิบัติทำใครทําก็ได้เพราะมันเกิดกับตัวเราเองเพื่อนไวหวมือเข้ารู้จักตัวเองเพื่อนมือออกรู้จักตัวเวลามันชิดที่ไม่ตั้งใจรู้จักตัวเนี่เติไมได้ทุกคนเรื่อง ป, ปฏิบัติกลับมาได้กลับมาเนี่ยปฏิบัติไปกลับมากลับมากับมาตั้งแหวกตังแหวกคืนเดียวเท่านั้นเอง ได้เป็นพระตัตตุรูเป็นพุทธเจ้าหรือผู้รู้ก่อนหรือว่าพุทธเจ้าผู้รู้ทีหลังจะเรียกว่าพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่าสงสาวกรู้ตามพุทธเจ้ามีเราก็มาทําตรงนี้รู้เขีนเข้าเยอะแยะดอกตรงนี้ประกอบกันมาไม่มีสะตีเป็นที่ตั้ง สติเป็นเจ้าของกายสติเป็นเจ้าของจิตใจก่อนอึด อ, อะไรก่อนอะไรเกิดกับกายให้รู้อะไรเกิดกับใจให้รู้ทําได้ทําได้ทําได้แม่หนักเนไม่ออกลองรู้จากตัวนี่นี่ก็เป็นการเรียนมิตรกันพูดเป็น เรื่องสิ่งที่เผื่ที่ไวเหมือนกันหมดทุกชีวิตปฏิบัติอย่างเดียวกันกายก็แบบเดียวกันใจก็แบบเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นกายก่อนเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจก่อนเดียวกันเหมือนกันเหมือนเวลาก็เหมือนกันหนาวก็หนาวเหมือนกันน้องก็ร้อนเหมือนกัน ทุกโกรธเหมือน ก, กันโกรธก็โกรธเหมือนกันหลงก็หลงเหมือนกันแต่สิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงผู้ปฏิบัติสิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกผู้ปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นมีในโลกนี้มาป่่อยตัวงทุกมาปล่อยตัวงหลงอย่างไรปเดือนก็ผ่านไปขนาดนี้แล้วยากลําบาก ก่อจะได้ถึงผ่านมามีชีวิตที่ได้เกิดมามีกายมีใจมีรูปมีนามยากที่สุดเรายากที่จะได้ยินได้ฟังคําบอกคำสอนในความถูกความชอบยากที่สุดที่ได้ปฏิบัตินี่มันว่ามีแล้วเราก็มีแล้วว่าทำคำสอนมีแล้วยังมีผู้บอกผู้สอนสถานที่ก็มีแล้ว เพื่อนมีดมีแล้วจะไปที่ไหนกันอันเดียวนี่จะไปโลกที่ไหนใครดีที่ไหนคนดีก็เป็นของเขาเราดีกับเขามันได้ถ้าเราไม่ทำคนทุกข์ก็เป็นทุกข์ของเขาเราทุกข์กับคนทุกข์เราทาดีเขาก็าดีเองเขาไม่ทําดีเข า, าไม่ได้ดีช่วยกันมาได้ตรงไหแบ่ง ป, ปันมาได้ ตัวไคตัวมันนี่เงินมีทองชื่อหาเอาไม่ได้อยู่กับการกระทำนั่นคู่ฉันเข้าอย่าฉันดอกไปรู้สึกตัวน่ให้โอกาสกันอย่างนี้ไม่ต้องไปใช่แรงงานอะไรกันว่าถ้าทศาสตร์ไปปีนี้ของเรารอไว้ให้เป็นเรื่องนี้โดยตรง มีคนสนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัยให้มีคนนำอาหารมาให้มีคนชื่อเสื้อชื่อผ้อากันหนาวกันร้อนมาให้อย่างแค่เดยเพื่อก็ไม่อยู่ไม่ยาดเพื่อให้เราทำความดีเมื่อเรา อาสนับสนุนให้คนทาความดีให้ความดีเกิดขึ้นในโลกอยู่กับคนมากขึ้นมากขึ้นก็ระดับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้นนี่คือความเป็นจริงผู้ที่สนับสนุนให้คนทาความดีก็ย่อมได้อันหนึ่งสงผู้ทําความดีเองได้รับความสนับสนุนจากคนอื่นก็มีอันหสงอันนึ่งสงทั้งสองฝ่าย เป็นมหานเนรสงคนท่งคนช่วยให้ทาความดีก็ได้บุญได้กุศลผลหมักเป็นผลขึ้นมาเรามาช่วยโจรผู้ลอยมาช่วยโจนผู้ลอยให้มาคุ้มค่ า, ากับชีวิตของเราโดยเฉพาะพวกเราเป็นดักปวดนี่เมื่อก่อนหลังนี้ที่เดีอดตงหนีจากความชั่วไปสูความดี ความชั่วมีเท่าไหร่พยพยามหนีจากมันความดีมีเท่าไหร่พยายามทำโดยมีจิตเป็นเจนชีวัะให้เราได้รู้ได้เห็นเรื่องนี้ปีใหม่นี้ให้ได้เกิดอะไรก็กราบขึ้นให้มีกําลังใจให้มั่นใจใ้กายชื่นใจให้เกิดความดีให้จงได้ ให้เข้มแข็งให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีวินยัยอย่าเลิกลุ่มในความดีก็จะได้ความสำเร็จเกิดมาเคยผลในชาติปัจจุบนันนี้ด้วยกันทุกคนเถอด